รัตนะเหล่านี้เลยเพราะแขนด้วนด้วนเมื่งตอนนี้บางคนมือด้วนเก็บไม่ได้ใช่ไหมครับอูเป็นพระเนี่ยดันไปด้วนเรื่องเนี้ยุ่งหรอือไม่มีศรัทธาตัวนี่เลยไม่ได้ไม่ชั้นศีลเลยยุ่งเลยรัตนาคือศีลก็ไม่ได้ปฏิโมกสังวรศีลเป็นรัตนาเนะเป็นรัตตนาอันปนีดเป็นรัตตนาอันประเสริฐบุคคลอาศัยรัตนะนี้แล้วจะพ้นจาก ทุกได้นี่รัตนานประเสริฐอินเดียสังวรศีลก็เป็นรัตนานประเสริฐเป็นรัตนานปณิทอาชีวะปิสุทธิศีลก็เป็นรัตนานประเสริฐรัตนานปณิทอะปัจจะยสันนิสิตาศีลใช่ไหมเป็นรัตนานประเสริฐเป็นรัตนานปณิทเห็นไหมบุคคลอาศัยรัตนานี้แล้วจะพ้นจากชาติทุกข์เป็นต้นได้พุทธพจน์รับรองนะเพราะเจ้ากล่าวรับรองเลยใช่ไหมอย่างเงี้ยเออเรารู้อย่างเงี้ยอุ้ยต้องรีบเก็บ ก็ต้องดูมือเราขาดมือเราด้วนแล้วป่ะถ้าด้วนทำยังไงไปหาหมอผ่าตัดต่อแขนต่อมือแยะจับได้เราด้วนมานานแล้วเราเป็นคนไม่มีมือมานานแล้วในสังสารวัตเราคนพิการรู้ป่ะคนพิการคนไม่มีมือสมาทานต่อไปเราจะไม่พิการมืออีกแล้ว คนมือด้วนเน่ยไปถึงพุทธกยายังเก็บรัตนาไม่ได้ไม่รู้จะเก็บยังไงน่ะมือด้วนมือมันด้วน เ, เก็บไม่ได้ไม่รู้จะเก็บยังไงเดินวนก็วนก็พาท่องก็ท่องใช่ไหมมาสวดมนต์ก็สวดไปที่แขนด้วนไม่ได้รัตนาหน้ากรุณาไม่เล่ะรัตนาล่วงกราวก็กราวคนอื่นก็หยิบเอาให้เรากันด้วนอย่างเงี้ยหยิบไม่ได้หน้ากรุณาไหมฮะ <c oughs> <c oughs> แ ต, แต่มองอยู่นั่นแหละก็มันเป็นอย่างนี้ไงจะรักษาศีลกับเขาสักหน่อยก็ไม่ได้มันรู้สึกอึดอัดเนะี่ยเป็นนั่งฟังธรรมให้บาปเกิดอยู่นั่นแหละเงี้ยเป็นตนน้นเนาะเมื่อสักครู่ก็พูดถึงเรื่องศรัท ธ, ธากันที่พูดถึงในเรื่องของศรัท ธ, ธาอีกในาย่านหนึ่งที่กล่าวไว้ก็คือว่าสภาวะทรงอารมณ์ไว้ได้ดีก็ได้ทำสัมยุญธรรมทําสัมยุญธรรมให้ทรงอารมณ์ไว้ที่ดีก็ได้ สัทธะหะตีติสัทธาสัทธหันติเอตายาติสัทธาทำสภาวธรรมที่เกิดร่วมกันกับตนให้ทรงไว้ด้ดีคำว่าทรงไว้ดีดเนี่ยดนีคือสัทธาก็หมายความว่าเชื่อมั่นแล้วก็เลื่อมใสอันเป็นไปด้วยความที่ว่าไม่คุณมัวเนะในสิ่งที่ควรเชื่อก็คือในคุณของพระพุธทธเจ้าพระรัธรรมพระสง ส่วนความดำริอื่นนอกจากนั้นที่เป็นไปด้วยความเชื่อมั่นเลื่อมใสในสิ่งที่ไม่ควรเชื่อของดิเรกทีและ ร, รมของดิเรกทีนั้นชื่อว่าสัทธาปฏิรูปคือมิจฉาทิโมกอธิโมกที่ประกอบไปด้วยมิจฉาทิฐิเพราะลักษณะของอธิโมกเนี่ยตัดสินใจเชื่อมัอนกันแต่เพอเอิญไปประกอบกับมิจฉาทิฐิก็ให้เลยเชื่อในสิ่งที่ผิดไปทีนี้ดังที่ได้กล่าวว่าว่าศรัทธาที่อุปมาเหมือนมือ ใช่ไหมทีนี้คนที่ไม่มีมือเนี่ยแม้พบรัตนะก็หยิบเอาไปไม่ได้ทีนี้เมื่อไม่มีรัตนะไม่มีทรัพย์เมื่อไม่มีทรัพย์สมบัติทั้งมวลย่อมไม่เกิดแก่พวกเขานี่เป็นอย่างนี้ตรงนี้ก็คือว่าถ้าหากว่าไม่มีศรัทธาแล้วเนี่ยนะก็หยิยบเอาศีลและรัตนะสมาธิรัตนะปัญญารัตนะเป็นต้นไม่ได้โดยเฉพาะในคําสอนของพระบรมศ า, าสดานั้นนหละ พอที่ปากเกียธรสมสิบ็ดนี้จัดว่เป็นรัตนนามูเลยสียินทุกระดับเป็นรัตนนาหมดเนี่ฉะนั้นเราท่านทั้งหลายในสังสารวัฏที่ผ่านมาเนี่ยที่เราพลาดจากรัตนนาเหล่านี้แล้วแล้วเเล่ากรเพราะไม่มีมือก็คือไม่มีสัตทินรียที่ถูกต้องมายาวนานแล้วนั่นคือโทษของการขาดมือขาดสัตทินรียที่ถูกต้องฉะนั้นเมื่อเห็นประโยชน์ของสัตทินรียอย่างนี้แล้วก็เพียรพอกพูน สตินีนั้นให้มัน่น่อย่าด้วยภาคจากสัตินีหรือศรัทธาอีกเลยเพราะมันทำให้เราเสียหายมานานแล้วถ้ามองตามคำสอนอย่างนี้ก็จะเห็นเห็นชัดเจนขึ้นทำให้มีความเข้าใจชัดเจนขึ้นว่าลักษณะของศรัทธาที่บอกว่าตั้งไว้ด้วยดีหรือมีความเชื่อมั่นเป็นลักษณะนี่ แล้วก็มีอันอย่างสามยุทธธรรมต่างๆให้ผ่องใสหรือปักขันธนาลสาวาก็มีการแล่นไปสู่ทำข้างหน้าเป็นต้นเหล่าเนี้อันนั้นกล่าวไปแล้วมีการไม่ขุนมัวเป็นผลหรือมีการน้อมใจเชื่อเป็นผลแล้วก็สัตธยวัตถุประวัติประานาก็คือมีวัตถุอ่นควรเชื่อก็คือรัตนไตรส่วนโสตาปริยังคะเคลื่อนการบรรลุพระโสดาบันก็ได้กล่าวไปแล้ว มีสัตรธรรมมัสสวาะเป็นต้นทีนี้ท่านอธิบายอัฏฐะของสัตทินรีเขาไว้บอกว่าตั้งไว้โดยดีได้แก่ความเลื่อมใสในคุณของพุทธเจ้าทีนี้พระพุทธเจ้านั้นเป็นที่ตั้งแห่งความเลื่อมใสแก่บุคคลสี่จพวกนะดัง น, นั้นเขก็ไปกล่าวเกี่ยวในเรื่องของรูปปรมาภิกาเป็นต้นเหล่านั้นอันนั้นก็เป็นเหตุของสตาอีกซึ่งเขก็ท่านก็กล่าวเขาไว้อันนั้นก็กล่าวเกี่ยวในเรื่องของคําว่า เหตุปัจจัยที่จะทำให้สัตทินรีเกิดเหตุปัจจัยที่ทาให้สัตทินรีเกิดเนี่ยนอกจากตรงนี้ก็เห็นรูปประสมบัตสวยงามติดใจในรูปที่จริงตรงนี้ท่านเรียกว่าเป็นพระุทธเจ้าเป็นผู้ที่มีความบริบูรณ์ในลักษณะอย่างนี้แต่ว่าตรงนี้ก็คือท่านอุปมาเขาไว้ที่บอกว่าอุปมาเหมือนมือดังได้กล่าวแล้วเนะ ประการต่อมาก็คือเหมือนเมล็ดพืชเมื่อไม่มีเมล็ดพืชคข้าวกล้าเป็นต้นเหล่านี้ย่อมไม่สําเร็จชั้นใดเมื่อศรัทธาไม่มีบุญกิจยาวัตถุก็ไม่สามารถที่จะสําเร็จได้ฉะนั้นท่านจึงอุปมาเหมือนมือเหมือนทรับแล้วก็เหมือนเมล็ดพืชเนี่ยในชั้นก็อธถษฐานท่านอุปมาในลักษณะอย่างนี้ว่านี่ลักษณะของสัตทินสีเป็นอย่างนี้อภรรการต่อมาก็พูดถึงในเรื่องของสติ โสตาปฏิยังคะที่จริงท่านใช้คําว่าเหตุแห่งการบรรลุพระโสดาบันเนี่ยเนี่ยที่ท่านกล่าวอย่างนี้ว่าในลักษณะของสัตทินรีเนี่ยถ้าถามว่าประทัดฐานน้เนี่ยนียก็คือสัตยยวัตถุวัตถุอันควรเชื่ออีกนายหนึ่งก็คือเหตุแห่งโสตาปฏิมักทีนี้เหตุแห่งโสตาปฏิมักก็หมายความว่าสัปุรี่สังเสวะนี่ยคือการครบ บัณฑิตผู้มากไปด้วยกรรมแนะนำในอริยสัจ ส, สีจนสามารถบรรลุมากผลนิพพานเป็นต้นได้ถามว่า <c oughs> กรณีที่มีศรัทธาแล้วเข้าไปใกล้เมื่อเข้าไปใกล้แล้วก็นั่งใกล้เมื่อนั่งใกล้แล้วก็เงียบโสดสดับตั้งจิตรับรู้เป็นต้นเหราเนี้ยฉะนั้นการที่เรามีศรัทธานั่นเองจริงเข้าไปใกล้ใช่ไหมเมื่อเข้าไปใกล้ก็นั่งใกล้เมื่อนั่งใกล้แล้วก็เงียโสดสดับ เมืเ่อเ่ยสดสดาบก็ตั้งจิตรับรู้ก็ถามว่าถ้าไม่มีศรัทธาเนี่ยถ้าไม่มีศรัทธาในพระเจ้าหรือสาวกของพระเจ้าเนี่ยมันจบเลยนั้นตัวสัตทินรีต่างหากเป็นปัจจัยที่จะน้อมนำให้ครบสัตรบุรุษเมื่อไปครบสัตรบรุตรแล้วเป็นเหตุแห่งการฟังพระสัรธรรมทีนี้ท่านก็เลยกําหนดว่าสัตรบรุตรคือใครบัณฑิตที่สา ม, มารถสั่งสอนอริยสัตสีคือทุกสมุทัยนิโรธมากจนสา ม, มารถบรรลุมรรคผลนิพพานได้นั่นน่ะคือสัตบุรุษมีพระเจ้าเป็นต้นใช่ไหม ประเด็นก็เลยอยู่ตรงที่บอกว่าบุคคลที่จะเป็นสัตว์บุรุษเนี่ยดูตรงไหนดูตรงที่จะสามารถกล่าวพระธรรมแล้วสรุปลงอริยสัจได้ชัดทีนี้กล่าวพระธรรมเลื่อนเพื่อนไปเรื่อยๆ เ, เนี่ยลงอริยสัจไม่ได้สัก ท, ทีอันนี้ก็จบแล้วเข้าใจไหมเช่นไปอ่านทุกสูตรแล้วลงทุกกสัจจะไม่ได้ลงสมุทยรรัยสัจจะแล้วก็นิโรธาสัจจะมรรคสัจาารรจะไม่ได้อันนี้ก็ไม่ใช่สัตว์บุรุษใชนะสามารถชี้ชี้แจงเหตุผล ปัจจัยต่างๆเหล่านี้เป็นต้นนะสัตธรรมวั ส, สวนาก็คือการฟังธรรมของผู้รู้เห็นไหมว่าธรธ ร, รมะทุกอย่างเนี่ยเช่นจะกล่าวอะไรก็แล้วแต่เนี่ยยังไม่ต้องลงอริยสัจได้ เ, ออเราฟังมงคลสูตรเราก็ไม่รู้ว่าลงอริยสัจใช่ไหมอาเสวนาจะภารานางปันติตานันจะเสวนาปูชาจะปูชนียนานังเนี่ยที่จริงพระองค์สอนอริยสัจเงี้ยนะ ีโทดของการที่เราไม่ได้ครบสัตว์บุรุษเลยไม่รู้เลยไม่รู้จะไปชมลงอริยสัจยังไงอย่างนี้เป็นต้นนี่ก็เรียกว่าทั้งๆที่กล่าวอริยสัจแต่สรุปลงไม่ได้อย่างนั้นเขาเรียกว่าไม่ใช่สัตว์บุรุษถ้าสัตว์บุรุษนั้นต้องประชมลงอริยสัจเป็นต้นได้แล้วก็ถ่ายเป็นไวเพื่อการถ่ายถอนได้นี่เป็นเรื่องยาวเลยนะพวกตรงนี้เนียแต่ก็ให้สรุปลงอย่างเนี้ยก็ไปตามดูตามคนกันไป โยนิสโมสมนัสการก็คือการใส่ใจพิจารณาอารมณ์ด้วยปัญญาได้แก่การพิจารณาสังขารธรรมด้วยปัญญาว่าแามว่าไปพิจารณาสังขารธรรมพิจารณาไปเรื่อยเลยแต่ลงรูปธรรมนามารมาไม่ได้จบเลยใช่ไหมมาสรุปงองนี้ไม่ได้ลงเหตุผลไม่ได้ว่านี้เป็นปัจจัยนี้เป็นปัจจัยุบันลงอันนี้จะอันอ น, นี้จะทำทำที่เป็นของไม่เที่ยง ทุกธรรมอนาตรธรรม อ, อสุภธรรมเนี่ยสรุปลงตรงนี้ไม่ได้ก็เรียบร้อยธรรมานุธรรมะปฏิปติก็คือการปฏิบัติธรรมสมควรต่อโลกุตระธรรมก็คือการปฏิบัติในศีลสมาธิปัญญาก็คือเดินตามสิกขาสามแหละเริ่มต้นท่านก็บอกกับปูกตั้งแต่นั่นแหละสถานะคมจากสถานะคมก็ไปชั้นของในชั้นของทานเออเขาไปในชั้นของทานก่อนอยู่ไหม แล้วเข้ามาศาสนาคมจากศาสนาคมก็ไปกุศลศีลจากกุศลศีลก็ไล่ไปตามลำดับของศีลนั่นแหละปาฏิโมกสังวงศรศีลอินทรีย์สังวงศรศีนแล้วก็เกี่ยวเป็นไปตามลำดับจนถึงนู้นแหละลำดับของวิบัติญาณทั้งหลายอันนี้ก็ไปดูในสามัญพลสูตรเป็นต้นด้วยอันนี้ท่านจะกล่าวลำดับของการเข้าถึงด้วยหรือถ้าจะดูในบางถ้าไปดูในชั้นของ คือจะวางแนวเป็นแนวทางเดียวกันเลยเนะี่ยเริ่มตั้งแต่เป็นไปตามลำดับเลยเนะี่ยแล้วกระดังที่ได้กล่าวไว้ว่าการเก็บรัตนะก็คือกุศลความดีก็ด้วยศรัทธาก็เลยเหมือนมือเลยการให้ทรัพย์สมบัติอันเป็นโลกยะโล ก, กุตรานสมบูรณ์ก็เพียรพร้อมด้วยศรัทธาก็เหมือนเงินในมือการให้ผลให้พืช น, นะผลิตดอกออกผลก็คือมรรคผลนิพพานศรัทธาเลยเหมือนเมล็ดพืช ในชั้นของมูลอดิการท่านก็นเลยขยายเข้าไว้ตรงนี้เลยนั่นคือเกี่ยวในเรื่องของสัตทินสีพอจะเห็นชัดภาพชัดเจนตรงนเนี้ยนะศรัทธาแล้วก็อะไรเนี่ยอวิริยะใช่ไหมลักษณะของวิริยะอันนี้ก็ลำดับตามอินทรีย์แต่เราไม่ได้รลำดับตามตามในวิริยะเนี่ยก็จะเก็บมาจากหลายๆที่นะ อ บ, บาลีเริ่มต้นก็นมาจากคำว่าอุสาหะลักขนังวิริยังนี่คือลักษณะเขาสาชาตานังอุปัดถมพนรสังอันนั้นคือกิจสีธนภ า, าวาัปจุปถานังอันนี้ผลปรากฏสังวิโคโยนิโสปทหาตีติเนี่ยนะอันนั้นมาในปทัฐานะของวิริยะเนี่ยมีมี มีกล่าวไว้หลายอย่างคืออย่างนี้ลักษณะของวิริยะเนี่ยท่านกล่าวไว้ว่ามีสภาพที่มีความเพียรด้วยดีต่อกิตนั้นๆคือการเพียรด้วยดีต่อกิตนั้นนั้นหรือสภาพที่อดทนต่อความทุกข์ด้วยเออสภาพของวิริยะเนี่ยนอกจากเพียรแล้วยังอดทนด้วยเนี่ยนะถ้เหมือนเลยก็องค์ธรรม องค์ธรรมคล้ายๆจะอยู่ในสภาพอันเดียวกันด้ยวยซ้ำไปคล้ายๆกันนื้ออันนี้ก็ก็ไปดูกลุ่มของเขาว่าวิริยะเนี่ยมีมีความอุตสาหะเป็นลักษณะแล้วก็มีการยางสาชาตธรรมให้มั่นคงใช่ไหให้มั่นคงเป็นกิจพูด ถ, ถึงในเรื่องวิริยะคือความเพียรเนี่ยเพียรอดทนต่อทุกต่าง มีความเย็นความร้อนเป็นต้นเนะ่ยชื่ออุตสาหโหไอเพียนเผากิเลส ช, ชื่อว่าอาตาปีเพียนพยายามทุกเมื่อเหมือนลมอะ่ะชื่อวายามโมเหมือนลมอะ่ะเพียนตลอดเพียนทุกเวลาเพียนบากบั่นย่ายีความเกียจค้านเนะ่ยเชื่อประลกมโมเป็นต้นอย่างเงี้ยเพราะว่าวิริยะเนี่ยคือวิอ่ะวิคต่านะบทหน้า อีธาตในความหวั่นไหวนิยปัจจัยก็คืออุสาหะก็อุบทหนา้าสาธาตในความอดทนในความอดทนหน้ปัจจัยก็ซ้อนสะก็ลบหน้ไปเอาอาเป็นอาไปสังเวทก็คือสังเวคนะ่ะก็เป็นสังบทหนา้าวิชะธาตในความกลัวเวคใจต่อภัย สลดใจต่อภัยคือชาติภัยชราภัยพญาธิภัยมรณะภัยภัยในวัตทุก์ในดีดภัยในวัตทุกรในนาคตเงี่อนะเนี่ยกลัวต่อภัยเหล่านี้เขาเรียกสังเวคะที่จริงก็มาจะคําว่าสังเวชนะแหละแล้วเอาชาเนะีอเอาชาจนะแปลงชาเป็นค้าเอยก็เลยสังเวชเลยก็แปลว่าสลดใจคือสะดุ้งต่อภัยทั้งหลายที่จะมาถึงทีนี้ตรงนี้ก็คือมาทําความเข้าใจนะว่า กรณีที่สังเวขาสังเวขาเนี่ยตรงนี้ต้องไปทําความเข้าใจเวลาอธิบายตามเ อ, อลัคนาเจตุ ก, กาตเนี่ยเป็นไปในกุศลที่เราจะกล่าวกันเนี่ยต้องเป็นไปในกุศลเพราะวิริยะเนี่ยประกอบในกุศลก็ได้แต่ที่จะกล่าวในฐานะเป็นอินทรีย์เนี่ยเป็นไปในกุศลฉะนั้นต้องใช้คำว่ามีสังเวขาวัตถุเป็นเหตุใกล้สังเวขาวัตถุเป็นเหตุใกล้ก็คือพิจารณาถึงชาติ พิจารณาถึงทุกถึงชะาถึงพยาธิถึงมราณะทุกทุกในอบายทุกมีวัตตาเป็นมูลในดีตทุกมีวัตตาเป็นมูลในานาคตทุกในการแสวงหาทรัพย์สมบัติทั้งหลายนะตรงนี้ท่านจึงกล่าวบอกว่าอย่างนี้กล่าวบอกว่ากิจรัสะสนับสนุนธรรมที่เกิดพร้อมกันกระตนให้มั่นคงกิจทั้งคันเนี่ยนะกิจของวิริยะเนี่ย นอกจากลักษณะนี้เขามีอะไรสภาพที่ทําความเพียรด้วยดีต่อกิจนั้นๆใช่ไหมและอีสภาพอีกอย่างหนึ่งก็บอกสภาพที่อดทนต่อความทุกข์เมื่อกี้บอกเอ๊ะทาไมเหมือนเหมือนเหมือนอุเหมือนเหมือนคติมาจากคาว่าความเพียรเนี่ยความเพียรเนี่ยท่านถึงใช้คําว่าภาวะแห่งบุคคลผู้กล้าทั้งหลายเชื่อวิวริยะหรือกรรมของบุคคลผู้กล้าก็เรียกว่าวิริยะ กรรมก็คือการกระทําทางกายทางวาจาทางใจเนี่ยคือกล้าอีกในหนึ่งธรรมชาติใดอบุคคลพึงทําให้เดิมดําเนินไปโดยการดํารงไว้อย่างวิเศษฉะนั้นธรรมชาตินั้นก็ชื่อว่าวิริยะได้แก่ความอุตสาหะสันอดสหะนี่สันสกฤตก็เป็นอุตสาหะนี่นาาเล ย, าาเยอดต่าาเต่าวิริยะคือความเพียรเพียรอดทนต่อความทุกข์ต่างๆ เมื่อได้รับความทุกข์ต่างๆที่แผดเผาไอ้ตรงนี้เลยกลายเป็นว่าลักษณะของเขาเลยมีความมีสภาพที่อดทนต่อทุกต่อความทุกไอ้พวกเราเนี่ได้รับความทุกข์ตลอดเนี่ยมันต้องเพียนเนี่ยไปไมไม่ใช่เนี่ยถ้าเป็นร้อนเกินไปหนาวเกินไปใช่ไหม ปวดอะไรต่างๆทั้งหลายต้องเพียนอดทนนั่นนั่นนั้นความเพียนนี่แหละเป็นชื่อของความอดทนในฐานะนี้ด้วยจิตของเขาก็คือสนับสนุนธรรมที่เกิดพร้อมกันกับตนให้มั่นคงเพราะมีมาจะคําว่าสหชาตานังอุปัตถมพนารสังเนี่ยก็คือสนับสนุนธรรมที่เกิดพร้อมกันกับตนให้มั่นคงให้มั่นคงนั่นคือกิจจะรสของของิวีย นอกจากตนเองจะมีลักษณะาการอุตสาหะที่จริงสับว่าอุตสาหโหน่แปลว่าเพียนเผากิเลสอดทนต่อความทุกข์อดทนต่อความเย็นความร้อนต่างๆเหล่านี้เป็นต้นเชื่ออุตสาโหาแต่ถ้าหากว่าเพราะลักษณะของเขาเนี่ยเป็นอุตสาหโหได้ด้วยสัพ์ใช้คำว่าอุตสาโหาอุตสาหะอุตสาหะรักขังวิริย์เนี่ย ฉะนั้นจึงได้สองความหมายไงทำความเพียรให้ด้วยดีทำความเพียร ด, ด, ด้วยดีต่อกิจนั้นๆกับการที่ว่าสภาพที่อดทนต่อความทุกข์มีความเย็นความร้อนเป็นต้นเหล่านี้เพราะไปตรงศัพท์คาว่าอุตส า, าหอุตสาหะเพราะว่าเพียรอดทนต่อทุกข์ต่างๆทั้งหมดเลยไม่ว่าจะทุกข์เกิดการโรคภัยไข้ยเจ็บใช่ไหม จากการเย็นความร้อนจากพิษไข่ต่างๆอะไรต่างๆเหล่านี้จากการถูกกระทบกระทั่งอะไรเยอะแยะเบ็เส็จหมดแหละจากการได้ประสบกับอารมณ์ที่ไม่น่าเพลิดเพลินไม่น่าชอบใจทั้งหลายเลยก็เรียกอนี่สัพ์นี้อุตสาโหแล้วในขณะเดียวกันก็เผากิเลสถ้าเผากิเลสนั้นเลยเรียก ว, ว่าอาตาปีเนีเพียนเผากิเลสแล้วหละเขาแบบสนับสนุนธรรมที่เกิดพร้อมกับกระตนให้มั่นคงก็แปลว่าธรรมที่เกิดพร้อมกับวิริยามีเยอะไหม นั่นอย่าลืมนะถ้าไปเป็นอกุศลเนี่ยเขาก็มั่นคงนั้นนะอย่าลืมนะแต่ในที่นี้ต้องการเป็นไปกับกุศลนะนั่นแหละคือลักษณะของของคือกิจของเขาตรงนี้ก็คืออีกอย่างหนึ่งก็คือว่าประการต่อมาก็คือมาพิจารณาถึงในเรื่องของคําว่าปัจจุ ป, ปถานะคือสภาพที่ไม่ท้อถอยไม่ย่อหย่อน มีความไม่ท้อถอยเป็นผลมีความไม่ย่อหย่อนเนี่ยเป็นผลปรากฏส่วนปทัทฐานะเนี่ยมีจัดไว้สองประการเนี่ยสังเวคยานพระเจ้าตรัสว่าผู้มีสังฆะสังเวคยานพยายามอย่างถูกต้องกับวิญญาณพระเนี่ยคือสังเวคะปะทัทฐานะคือเ ห, เหตุใกล้สุดของสังเวคยานนะก็คือการพิจารณาฐานะ8ปประการดังกล่าวชาติภยัย ภัยใหญ่คือการปฏิสนธิถ้าแก่การเกิดอันนี้ก็เอาปฏิสนธิสิบเก้ามาวัดที่เราท่านทั้งหลายยังไม่พ้นจากอุเบกขาสันติรณจิตรสองมหาวิบากแปดรูปวิบากห้าอรูปวิบากสี่เนี่ยปฏิสนธิสิบเก้าที่เราจะต้องไปปฏิสนธิในภพน้อยภพใหญ่แต่ได้มากได้อยู่ปฏิสนธิไม่กี่ตัวเนี่ยขาสองก็มาหายากโดยมากแปดก็ดักมักจะได้วิปยุทธอย่างเงี้ยนะ ฉะนั้นสิ่งต่า ง, างๆเหล่านี้ก็คือว่าสังเวคะพิษแล้วต้องต้องมีเป็นเหตุให้เกิดสังเวคายานนะคําว่าสังเวคายานนะนี่แปลว่าอะไรเนี่ยทราบว่าสังเวคานี่เขแปลว่าอะไรสังเวคาก็แปลว่าสลดใจสลดใจต่อการที่ไม่พ้นจากภัยใหญ่คือการเกิดที่สลดใจอย่างเดียวไม่พอใช่ไหม แค่วิริยะไม่พอมีสังเวขาญาณ น, นะคือตัวสัมมาทิฏฐิเข้าไปโลดแล่นในการวิจัยภยัยของกานเกิดด้วยแล้สะดุ้งกลัวแล้วยังไม่พอบางคนสะดุ้งกลัวแต่ไม่มียาณ น, นะแล้วกลัวแต่ไม่รู้จะออกยังไงเนะี่ยอย่างเงี้ยฉะนั้นพระโพธิสัตว์ทั้งหลายเนี่ยท่านจะมีสังเวขาญาณ น, น่าแรงมากสะดุ้งตัวต่อภยัยคือการเกิดเนี่ยเป็นภัยใหญ่ไหม ชราภัยก็ภัยใหญ่คือความแก่ถามว่าเกิดในภพไหนแก่หมดน่ะภยาที่ภัยภัยใหญ่คือความเจ็บไข้มรณะภัยภัยใหญ่คือความตายภัยใหญ่อย่างหนึ่งก็คือทุกวัตฏสงสารในใบยภูมโอ้โหแต่เนี้ยเจ็บปวดมากเลยที่ไปเกิดเป็นสัตว์นรกไปเกิดเป็นเปรตเป็นสัตว์เดราชาเปรตสุรกายเนี่ยนี่ภัยใหญ่ทุกที่มีเหตุคือความทุกข์ในวัตฏ สังสารราษในอดีตไอ้ตรงนี้นะวิธีคิดตรงนี้ให้เกิดความเพียนเอาสมมาประธานมาจับมันถึงจะเกิดความเพียนวิธีเอาสมมาประธานมาจับก็ต้องเอาอุปปนาอากุศลกัณอนุปปนาอากุศลมาจับถ้าเอาอุปปนาอากุศลอนุปปนาอากุศลมาจับนันถึงจะชัดจับยังไงก็มาพิจารณาอย่างนี้ว่า บอกว่าอกุศลที่เกิดแล้วอุปนนานังอกุสลานังอะอกุศลที่เกิดแล้วทุจริตที่ทํามาแล้วสังสารวัตที่ผ่านมาแล้วเนี่ยราคาโทสะโมหะมานาทิถิวิจิกิช้าบาปอกุศลธรรมัลามกที่เกิดในกระแสขันในอดีตอย่างยาวไกลที่เป็นทิฏฐาธรรมิกาธประโยชน์ที่เป็นทิฏฐาธรรมเวทียกรรมที่เป็นอุปช้าเวทียกรรมที่เป็น อปปราปราเวทเนยกรรมโดยเฉพาะกรรมที่เป็นอัปปราปราเวทเนียกรรมหนึ่งใช่ไหมกายทุจริตวจีทุจริตมโนทุจริตที่ผ่านมาแล้วในสังสารวัตเนี่ยไม่เอาอุปชาไม่เอาทิฏฐะธรรมเวทเนียกรรมเอาอปปราปราเวทเนียกรรมท่านบอกว่ากรรมเหล่านี้จักให้ผลไปจนถึงสัตว์เหล่านั้นต้องนิพพานถึงจะหยุดให้กรรม ตังปรินิพานเสียถึงเขางจะหยุดให้กำลังลงเนี่ยมันแล้วมันมากขนาดไหนเนี่ยเอาไปเกิดไปเกิดเป็นคนชั่วมาไม่รู้กี่หลายโกอัตภาพบาปเหล่านั้นรอให้ผลท้านทั้งหลายมากดูในขณะนี้เป็นคนดีกันนี่เนี่ยถ้าหากคิดอดีตได้จะกลัวกันไม่แถวไปแนวเลยเนียบอกโอ้โ oh ห ที่พระเถรละรูปหนึ่งนั่นพิจารณาถึงตอนนั้นที่อุบาสิกาท่านหนึ่งเป็นบ้านอาคาเนี่ยตอนนั้นน่ะท่านก็เออได้ข่าวว่าอุบาสิกาท่านเนี้ยพาไปอยู่ก็เจริญกรรมฐานกันสามสิบรูปนางก็ทําอาหารถวายได้บรรลุกันหมดแล้วรู้ใจแล้วอยากกินอะไรก็ทําอาหารได้เลย น, น, นี่ไม่ต้องบอกเลยเลยละอายใจเลย เหตุผลหนึ่งก็คือไปชอบเขาให้ไปจิตใจไปชอบเธอเขาเก้าสิบเก้าอัตภาพที่สังเวชายาณ น, นะเกิดขึ้นกับพระเถระที่เป็นพระทหารด้วยนะโอ้โหนี่เพี้นละนางก็บอกให้ระลึกต่อนยเลยระลึกไปชาติที่ร้อยทนานว่าไงอ๋อนางเคยสละชีวิตให้กับพระเถระ อย่างนี้เป็นต้นมันน่าสล่อใจไหมฆ่ากันมาตั้งเก้าสิบกว่าชาติเนี่ยถ้าเรารู้อย่างนี้แล้วมันมันมันจะมองหน้ากันออกไหมเป็นบุตรชนเนี่ยน่ากลัวถ้าเราระลึกได้ว่าเรากําลังกราบไหว้สัตว์นรกอยู่นี่เราอยากจะไหว้ไหมนี่กำมาพิจารณาอย่างนี้ว่าทุกขคตินี้มิตรทั้งหลาย น, นั้นบีบมาทุกทางตอนนี้มันรอจ้องเราอยู่ตลอด พ้อ ม, มาจากผลกายโโทุจริตวจีทุจริตมโนทุจริตมันพร้อมที่จะให้อดภาพแล้วตลอดเวลาแปลว่ามันบีบมาทุกประตูเลยทางทวารตาทวารหูทวารจมูกทวารลิ้นทวารกายและทวารใจนี่การพิจารณาในลักษณะนี้เ็าเรียกพิจารณาถึงภัยใหญ่ในอดีตทุกที่มีเหตุคือความทุกข์ในวัฏะในอดีตไม่น่าจะต้องเอามาคิดใช่มอดีต แต่ที่ไหนได้กรรมที่ทำแล้วยังในอดีตเนี่ยที่ยังไม่ได้ส่งผลมันยังเหลือเยอะจัดเหลือเยอะเกินไปแล้วแล้วยิเหลือเยอะจนใช้ไม่ไหวอ่ะไม่รู้จะเริ่มต้นใช้ยังไงแล้วจะเกิดอีกกี่ล้านล้านอัตภาพที่เราจะชดใช้กรรมไหวเนี่ยมันใช้ไม่ได้เพราะในขณะที่เราเกิดมาใหม่เราก็ทํากรรมใหม่ตลอดใช่ไหมรับ ของเก่าทําของใหม่รับของเก่าทําของใหม่นี่มันก็มันก็ผิดใหญ่ฉะั้นอุ ป, ปนนิสะัอกุศลที่ทํามาแล้วเนี่ยทุจริตต่างๆที่ทํามาแล้วมันบีบทุกทางเลยแล้วก็ตามติดทุกฝีก้าวรอท่านทั้งหลายเผอขนาดไหนอ่ะเขาท่านบอกว่าถ้าตราบใดอกุศลจิตเกิดอกุศลและชาวนะเกิดเป็นช่วงรอยต่อที่อันตรายที่สุด ยิ่งกว่าเดินเข้าไปในหลุมระเบิดเดินเข้าไปในหลุมระเบิดมันแค่ตายอัตภาพเดียวเอาสิแต่ถ้าปล่อยให้บาปอากุศลธรรมอลามกมันส่งผลแล้วพอตอนนั้นอกุศลเกิดเนอะแล้วจิติจิตเกิดแล้วอกุศลมาส่งทันในีนะดีดมาตามให้ทันนนะี่เนอะหมดเลยตอนนี้ยไอ้ที่ทําดีก็ไว้เนะี่ยพังวิบัติหมดแล้วจะกลับมาเอาความดียังไง มันจะมาเจริญกุศล ส, สูงสูงยังไงพลาดแล้วพลาดเล่ากันอยู่อย่างเงี้ยเนี่ยมันบีบมาอย่างนี้ตัววิริยะตัวภัยในดีเนี่ยงั้นการคิดถึงภัยในดีก็คือพิพจารณาถึงอปร布拉ร拉เวทเนียกรรมกรรมที่ทําไว้ในวัตตะและให้สลดใจว่าโอ้โหเราเนี่ยหลงไหลมากในดีเนี่ยนะเราไปทํากรรมที่บาปนะเร็วสะเรีวเอารามกมาเยอะเหลือเกิน ทีนี้กรรมเหล่านั้นมันไม่ใช่หมดกําลังลงไงถ้าเป็นทิตาธรรมเวทียกรรมก็พบนั้นก็หมดกําลังถ้าเป็นอุปเช้าวเวทนียกรรมก็ให้ผมผลให้พบถัดไปถ้าพบถัดไปไม่ให้ก็เป็นอโหสิกรรมแต่เช้านะดวงที่สองถึงดวงที่หกนี่สิเลยแล้วมากขนาดไหนปริมาณกรรมเนี่มันตามแน่นหมดแล้วแต่เนี้ยจ้องดูทุกฝีก้าวเหมือนอะไรเหมือนรอยเท้าโค ใช่ไหมเหมือนกุยนที่ตามรอยเท้าโคไอ้ก ge ุยนมันมันลากลากแอกแอกไปมันก็ลากกุยนไปด้วยไอ้รอยเท้ากุยนไอ้ตัวกุยนเนี่ยล้อกุยนก็หมุนตามก็เบียดด้วยถ้าทันก็เบียดเหยียบเบียดเหยียบขาบ้างนะเข้าใจใช่ไหมถ้าลงเนินเมื่อไรมันก็ปึ๊กปึ๊กป๊กปึ๊กปก็แทกกระแทกเหยียบอยู่งั้นเนี่ยก็เราสลับแอกไม่ได้ สัดโลกสลัดแอกไม่ได้ก็คือสลัดกรรมไม่ได้สลัดสลัดอัตภาพไม่ได้ถ้าเราสลัดรูปประหารเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณทิ้งได้เมื่อไหร่ปริญิพภานเสียเขาเรียกสลัดแอกได้แล้วก็สลัดเกวียนนั้นได้สลัดไอ้ล็อกเกวียนนั้นได้ด้วยนี่เราเป็นวัวที่ถูกมัดอยู่กับไอ้ตัวแอกเนี่ยมันออกไม่ได้มันบิดแอกออกไม่ได้ ถบิดออกได้เสียก็ก็ปลอดภัยใช่ไหเนี่ยมันบิดมันออกไม่ได้ถูกแล้วมันเอาไปไหนอะ่ะอกุศลกรรมทั้งหลายมันก็ตามติดติดติติดติติ ด, ต ด, ต ด, ตดอย่างเงี้ยรอจังหวะอยู่แม้กําลังทําความดีอยู่มันก็ตามอยู่จังหวะเดียวมันตามอยู่ตลอดแหละมันมีเชื้อคือสักยะทิฐีอยู่ไอความเห็นผิดนี่เลย ต, ตัวเชื้อตัวเป้าอย่างใหญ่เลยที่มันตามตามให้ผล ถอนสักยะที่ติเสียมันก็ปิดอบายภูมิใช่ไหมอกุศลกรรมหนักๆทั้งหลายก็พลอยพังทลายลงเลยพระโสดาบันทั้งหลายท่านก็ปลอดภัยแล้วระดับหนึ่งในสังสารวัฏท่านไม่ต้องลงอบายภูมิก็ไม่ต้องมาเจ็บปวดมากแต่ท่านมีเชื้อการเกิดยังเหลืออยู่แต่ท่านก็มีวัตฏะที่จะมีวันที่สิ้นสุดได้